นี่คือรายการเปิดตามที่ถูกปิดาอออนไลน์ตอนนี้เอพิโซดที่เจ็ดสิบเจ็ดคุณหวังและผมก็อยู่ที่นี่แล้วครับกลับมาักการครับกระผมธนแพทย์นัทพงศ์กระกวิรุณจากกรุงเทพครับอืและตัวอาตมาเองก็พระไพบูุ์ตอนนี้ก็อยู่ที่อุดรแล้วก็เชื่อมต่อสัญญาณกันทางผ่านทางอินเทอร์เน็ตแล้วก็มักคุยธรรมะให้ท่านผู้ฟังฟังครับในตอนที่เจ็ดสิบหกคือตอนที่แล้วถูกไหมครับตอนนี้ตอนที่เจ็ดสิบเจ็ดเจ็สบหกแล้วก็พูดน้อยและคราวนี้เราก็จะมาอธิบาย ธรรมาให้ฟังนะเมื่อตอนที่เจ็สิบห้าเราได้พูดถึงเรื่องของกรรมไปครัแต่นี้ว่าเราได้พูดถึงคำว่าโอโหสิกรรมแล้วก็จะมาแก้ไขให้หน่อยเพราะมันมันเนี่ยมันพูดมากมันเลยเป็นเป็นเรื่องมัลาวไปนะเอาก็อาจะต้องแก้ไขให้ถูกนะธรรมาได้ไปเสิร์ชในเอโปรแกรมอ e ีทิ่ปิตกะก็พบว่าคําว่าโอโหสิกรรมเนี่ยที่เขียนเป็นแบบภาษาบาลีนะไม่มีหมืราบอกไม่มีไม่มีไม่มีไม่มี คําาวนะ่อะไรนะคือคําว่าโอโหสิกรรมอย่างนี้ต้องการยกตัวอย่างให้ใหทราบก่อนนะคือยกคือคำว่าโอโหสิกรรมเนี่ยนะถ้าถ้าเอาคำว่าอโหสิก่อนนะโอโหสิเป็นภาษาบาลีเป็นกิริยาเป็นกิริยากลุ่มภาคเป็นกริยาที่สําคัญแปล ว, ว่าได้กระทําแล้วนะคือมาจากากิริยาที่โหสิโ ห, โหติโหติเนี่ยแลปลว่าทําแล้วนะนะแล้วก็เติมอ่ะเข้าไปข้างหน้าก็เป็นได้กระทําแล้ว ดันะนั้นถ้าเราจะพูดว่าอโหสิกรรมก็คือกรรมที่ได้กระทําไปแล้วแต่คํานี้เนี่ยโดยพุทธวนจนนไม่มีก็คือเท่าที่เสิร์ชมานี้ไม่มีหรือถ้าใครไปเสิร์ชแล้วจะหาเจอเนี่ยก็ช่วยบอกหน่อยนะ<ต>คือเสิร์ชได้ทุกรูปแบบทั้งหาภาษาไทยด้วยหาภาษาบาลีด้วยภาษาบาลีที่สะกดแบบบาลีจริงๆนะแยกกันหา ก, กันมันก็ไม่เจอแลไม่เจอที่คําที่อโหสิกรรมใช้แบบคู่กันแตนะจะอโหสิเนี่ยมีอยู่เต็มไปหมดเลยในในพระตถาคกอโหสิที่เกี่ยวกับว่า แปลว่าได้กระทําแล้วได้กระทําแล้วเนี่ยนะมีเต็มไปหมดเลยนะเราก็คําว่ากรรมนี้ก็แยกกันไปเพราะนั่นมันที่มันต่อกันเนี่ยโดยคำว่าอาโหสิกรรมเนี่ยไม่มีแต่ทีนี้คําภาษาไทยเนี่ยที่เราใช้กันก็คืออโหสิกรรมเนี่ยหมายถึงขอโทษนะ ค, คุย อ, อย่างสมมุติว่าอยกตัวอย่างให้ฟังอย่างนายดํานั้นนายดํากับนายเขียวเป็นเพื่อนกันออยูมาวันหนึ่งนายดําก็ ได้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับนายเขียววันไหนเขียวไปทําอย่า ง, งนงั้นอย่างนี้ไม่ดีนายธรรก็เลยไปด่านายเขียวเละเ ล, เลยลเอ า, ด, า, อางงด่าอย่างนั้นด่าอย่างนี้เอาข้อมูลอะ้รทาไมเธอทำอย่างนี้ด่ากันเละเลยนะออพอมาวันหลังนายดํานี่รู้ข้อมูลจริงนะว่าเอา้าวนายเขียวจริงเขาไม่ได้ค้ายยาบ้านนะเขาไม่ได้ทําสิ่งที่ไม่ถูกเขาถูกกล่าวหานั้นนายดำก็เลยไปขอเขมานายเขียวขอว่าไอ้อาชีพกรรมที่ฉันทําไปนขอให้เป็นอาชีพกรรมนะซึ่งจริงๆที่พูดถูกตรงนี้เนี่ย ในดำคุณจะต้องบอกว่าเอ al, เอฉันขอโทษนะแล้วก็อ ข, อขออภัยนะขอให้เธออดโทษให้อย่างนี้นาการอดโทษให้เนี่ยก็หมายความว่าเรายกโทษให้เขาในเกี่ยวก็ยกโทษให้ในดําอย่างเงี้เป็นต้นนะเพราะฉะั้นตรงนี้ถ้าใช้คําว่าเอาโสศีกรรมใช้ให้ถูกในรูปแบบของภาษากคุณจะต้องบอกว่าขอโทษนะแล้วก็อีกฝ่ายนึงก็ ย, ยกโทษให้อย่างเงี้ยครับทีนี้กรรม การเจตนาของนายดำที่ได้ทําไปในการทิ่มแทงด้วยของคือปากไปกับนายเขียวถามว่าอันนี้เขาจะได้รับไหมได้รับแน่นอนนะผลผลของเจตนาที่นายดำได้ทากระทากิริยาไปนะเขาต้องได้รับแ น, น่นอะนผลนั้นก็จะไม่ได้เป็นเา้าเรียกว่ากรรมที่ให้ผลเสร็จไปแล้วทีนี้มีคาที่พระเจ้าใช้ นที่เราได้เคยได้ฟังมาก่อนก่อนก็คือว่าขอกรรมที่ให้ผลยังไม่เสร็จเป็นให้ผลเสร็จหรือขอกรรมที่ให้ผลเสร็จแล้วเป็นให้ผลต่อเนื่องไปนะเช่นเช่นเด็กเช่นนายเหลืองนายเหลืองเอาไม่เอาหรอกนายเหลืองเอาเป็นนายกนายกก็ไม่ได้เดี๋ยวนี้นายกเขาเป็นผู้หญิงเอามิสเตอร์ไวท์นตอนนี้มาทำธุรกิจอยู่ในเมืองไทย นี่เป็นเรื่องสมมตินนะมิสเตอร์ไวทมาทําธุรกิจอยู่ในเมืองไทยก็ปรากฏว่าทําธุรกิจไม่ดีเศรษฐกิจแย่ใช่ไหมมิสเตอร์ไวทนี่ก็เลยไปหาพระสงฆ์รูปหนึ่งแล้วก็ขอด้วยการบูชาอะไรต่างๆเอาทูบเอาเทีนยนไปแล้วก็ขอว่าโอ้ขอให้กรรมต่างๆที่ฉันมีมาต่นี้มันสิ้นไปเถอะแหมอุตสามาลงทุนต่างประเทศครั้งแรกทําไมเสีย ห, ยหายหลายแสนอย่างนี้เป็นต้นเนะี่ยขอพระก็ขอกรรมที่ มาไม่ให้ผลให้ผลยังไม่เสร็จเนี่ยเป็นขอให้ผลเสร็จนะอันนี้คุณขอไม่ได้นะครับด้วยกำลังด้วยความเพียรคุณขอไม่ได้ที่ให้ผลเสร็จเป็นขอให้ อ, อ่ให้ให้ผลยังไม่เสร็จเป็นขอให้ให้ผลเสร็จแล้วเนี่ยพระุทเจ้าใช้คำนี้ว่าปริัปริปะกะักกัมมะนก็คือว่าสุกรอบแล้วปริปริปักกัะคือหมายความว่าปริออกสุกแล้วอย่างนี้ใช่มครับที่เราเข้าใจการภาษาไทยนีย่คือปริออกสุกแล้วตรงนี้เออก็มันมันยังไม่รอบ คือคมันยังไม่เสร็จมันยังไม่เรียบร้อยคุณก็ขอไม่ได้อย่างเช่นในในไวท์นะเกิดหลังจากที่ทําเศรษฐกิจมันฟื้นตัวนะได้โครงการจากรัฐบาลเป็นหลายๆร้อยล้านแล้วพอได้โครงการจากรัฐบาลเป็นหลายๆร้อยล้านเนี่ยก็ต้องทํางานต่อไปใช่ไหมพอทำงานต่อไปปรากฏว่าเกิดปัญหาที่บ้านเมืองเดิมนะมิสเตอร์ไวท์เนี่ยต้องกลับไปที่บ้า น, นคือภรรยามีปัญหากับครอบครัวต่างๆนะจะต้องกลับไปแก้กลับไปทําอะไรต่างๆเหล่านี้งานที่มีอยู่ที่เมืองไทยเนี่ย ก็เลยจะต้องเลิกลาไป Mr. มิสเตอร์ไวก็จะไปหาพระแล้วก็ขอว่าเออขอใหออ้ความสุขที่ฉันมีในเมืองไทยเนี่ยขอใหออ้หยุดไว้ก่อนนะไปแก้ปัญหาก่อนแล้วค่อยกลับมาต่อเนี่ยมันก็ไม่ได้นะหมอรัตนพงศ์เข้าใจไหมอันนี้คื อ, อที่เราได้คุยกันไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับใช่ครับทีนี้ต้องการจะแยกความแตกต่างระหว่างเรื่องกิริยากรรมแล้วก็ความเพียรสนิดหนึ่ง ด, ด้วยการยกตัวอย่างของเด็กชายน้ําเงินกับเด็กชายน้ําทะเลเด็กชายน้ําเงินเนี่ยรเรียนหนังสือไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ ค, รคือเกิดมานี่ก็อคือความจำอะไรต่าไม่ค่อยดีอนะไม่ค่อยดีทีนี้เด็กเด็กชายน้ําเงินเรียนหนังสือก็อไม่ค่อยเก่งแต่ว่าออันนี้ถามว่าความที่เขาไม่เก่งเนี่ยเป็นอะไรของเขานี่เป็นกรรมของเขาเหมือนกันนะเป็นสิ่งที่เขาเกิดมาเป็นอย่างเงี้ยเป็นอสวะของเขา ติดตัวมาอ่าติดตัวมาอันนี้ก็เรียกว่าเป็นกรรมเก่าคือความที่เรารู้สึกต่ออารมณ์ได้ว่าเราไม่เก่ง<อ>นะความที่เรารู้สึกต่ออารมณ์ได้ว่าเราไม่เก่งอันนี้เป็นกรรมเก่าแน่ครับนะทีนี้ว่าเด็กชายน้ําเงินหนี่ก็ เ, เลยมีความคิดว่าเออกรรมเก่าเอองั้นมันไม่ใช่เกี่ยวกับว่าชีวิตฉันไม่ได้ขึ้นอยู่กับกรรมเก่าอย่างเดียวนะฉันมีความสุขความทุกข์เดี๋ยวเนี่ยไม่ใช่กรรมเก่าอย่างเดียวฉันมีความสุขความทุกข์เดี๋ยวนี้ก็ไม่ใช่ว่าคนอื่นบันดาลให้ <c oughs> นะหรือรว่าจะมีความสุขความทุกข์เดี๋ยนี้ก็ไม่ใช่ว่าอยู่มันเกิดขึ้นเองเอางี้ลก้ก<ม>ันฉันก็จะทําความดีต่อไปนะเ <De ek S 1> ด็กชายน้ําเงินก็เลยเทําความดีต่อไปไม่เป็นอะไร า, าร ท, าทีนี้ทีนี้ว่ามันเป็นอย่างนี้สมมุติว่าเด็กชายน้ําเงินนี่ตั้งใจที่จะเรียนหนังสือนะเขาก็ใส่าการกิริยาคือการกระทําของเขาในกิริยาคือการกระทําองเขาในการที่จะตั้งใจเรียนใส่ความเพียรเข้าไปนะยิวมาวันหนึ่งเขาก็เป็นคนเก่งขึ้นมาได้นี่คือลักษณะของเด็กชายน้าเงินที่สามารถทําได้ เด็กชายน้ำเงินก็เพอร์มีเพื่อนดีก็เลยช่วยชักชวนกันกันไปเรียนหนังสือนะมี ม, มีเพื่อนดีเชักชวนกันไปเรียนหนังสือ <ๆ S 2> ก็เลยผ่านมาได้สอบได้ไปเรียนหนังสือได้แนะจ บ, บมาก็มีการศึกษาสูงอันนี้ก็คือการที่เด็กชายน้ำเงินเนี่ยเขาตั้งความเพียรตั้งกิริย า, าไว้นะครับทีนี้นี่คือกรณีที่ 1>, 1ทีนี้เด็กชายน้ําทะเลก็เหมือนกันนะเป็นเพื่อนของเด็กชายน้ําเงินนี่แหละแล้วก็เรียนไม่ค่อยเก่งเหมือนกัน ทีนี้ที่กําลังจะชี้ตัวอย่างให้ดูก็คือว่าเด็กชายได้เงินนี่ เ, เวลาปรกากฏว่าไม่ได้มีเพื่อนดีเท่าไหร่ในเวลาเรียนหนังสือนี่มันก็คิดไม่ออกทำไม่มาคิดตําหนิตัวเองว่าน้อยเนื้อต่ําใจน้อยเนื้อต่าใจจิตไม่สามารถทรงไว้ในความเป็นกุศลธรรมได้แล้วก็จึงเลือกที่จะไม่เรียนในเรื่องที่จะไม่เรียนก็ไปทํางานอย่างอื่นละ่ะเป็นชาวนาบ้างเป็นทางานที่ต้องใช้รายงานบ้างหรืองงเรื่องในการ<บ>เรียน<บ>ที่<บ>ทสาขอาชีพที่ว่าไม่ต้องเรียนหนักมากเท่าไหร่ เพราะว่าเขาสามารถที่จะทรงจิตในการที่จะทําให้เป็นกุศลธรรมมากขึ้นนะที่นี้ตรงนี้แหละคือที่ต้องการชี้ประเด็นว่านะไม่ว่ากรรมเก่าของเราจะมาเป็นยังไงกรรมเก่านี่หมายถึงอะไรนะฟังอีกทีนึ่งนะความที่เรารู้สึกต่ออารมณ์ได้นะความที่เรารู้สึกต่ออารมณ์ได้อาบางคนสวยสวๆนะเกิดมาในสกุลดีๆแต่รู้สึกว่าตัวเองไม่ดีนะก็มีแตเพราะว่าันนี้ ค, คืออะไรกรรมเก่าของเขานะบาง ค, บคน โอ้โหหน้าตามันดูแทบจะไม่ได้นะแล้วก็อแต่ก็ก็อาจจะเกิดในสกุดีอยู่แต่ว่าก็มีความมั่นใจในตัวเองมากๆเลยมากเกินไปนะอันนี้ก็เป็น ค, ความที่เขารู้สึกต่ออารมณ์ของเขาอันนี้เราก็เคยเห็นตัวอย่างอยู่นะใช่ครับอืที่คนหน้าตาไม่ดีแล้วคิดว่าตัวเองหน้าตาหล่อนะออ <c oughs> อันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งครับทีนี้ถามว่าแล้วเราจะทํำยังไงดี่ะกับกรรมเก่าที่เรามีมาเราก็ทกํากรรมใหม่ที่ดีไง เราก็ทําสิ่งที่ดีคือถ้าเราทําอะไรก็แล้วแต่นะหมอรัตวพงศ์สมมติคุณจะตั้งใจเรียนถ้าคุณตั้งใจเรียนแล้วคุณไม่สามารถทรงจิตที่เป็นกุศลธรรมได้นั่นคุณไม่กวรครับหรือถ้าคุณจะไปทําอย่างอื่นแล้วคุณจะตั้งใจในการที่จะตั้งจิตอยู่ในกุศลธรรมไอันนี้คุณควรทําในกรณีของเด็กชาน้ำเงินแต่ที่เปินมีเพื่อนดีเลยทําให้สามารถเขาสามารถทรงจิตอยู่ในกุศลธรรมทําให้เขาเรียนไปได้ในขณะที่เด็กชายน้ําเงิน นะอาจจะไม่สามารถทรงจิตให้ได้คิดน้เนื้อต่าใจคิดตำหนิตัวเองคิดด่าครูคิดด่าพ่อแม่นะงั้นคุณอย่าเรียนเลยคุณก็มาทําสิ่งที่คุณจะทําให้จิตเป็นกุศลธรรมก็แล้วกันอย่างเงี้ย น, นะครับเรื่องสําคัญก็คือว่าจะทํายังไงให้จิตของเราทรงอยู่ในแดนกุศลธรรมได้<ต>ในอย่างกรณีของเด็กชายน้ําเงินเนี่ยไม่ได้มีเพื่อนดีที่จะคอยแนะนําไม่ได้มีครูแนะแนวไม่ได้มีเพื่อนดีที่ชักชวนไปว่าทรงจิตยอย่างไรแต่เขาก็จะ ต, ต้องไปตามทางที่เขาจะทรงจิตให้เขาเป็นกุศลธรรมได้ คือเป็นอย่างนี้บาง ค, บคนเนี่ยไม่สามารถไม่รู้ว่าทิศทางไหนฉันควรจะเดินไปนะบาง<อ>ที่มีเหตุการณ์ที่ไม่น่าพอใจในชีวิตอย่างเช่นในชั้นน้ําเงินเรียนหนังสือไม่เก่งนะมองกระดานก็ไม่ค่อยเห็นแล้วก็เรียนไม่เก่งไม่เข้าใจนะเกิดความที่เป็นจิตเป็นอกุศลธรรมเกิดขึ้นประเด็นก็คือว่าเอางี้ลก้กันถ้าจิตคุณเป็นอกุศลธรรมเนี่ยคุณจะไม่มีก็เรียกว่าจิตที่มีค a ณ i t y ไม่มีคราดที่ออกหมาคือไม่มีจิตที่เป็นเป็นหนึ่งไม่สามารถมองเห็นทางแก่ได้เพราะฉะนั้นคุณทําจิตให้เป็น1 น, นะคุณพยายามทรงจิตให้เป็นกุศลนะหลานีวอนนะพอเราเดินอยู่ตามทางที่เป็นกุศลแล้วเนี่ยเราจะเห็นทางที่เราจะไปได้ไม่แน่เด็กชายน้ํา้ำทะเลเนี่ยหลังจากที่มาสายอาชีพบ้างหรือไปทํางานของตัวเองบ้างที่ไม่ต้องเรียนหนักมากเนี่ยก็อาจจะพลิกผันมาเป็นคนที่มี ชื่อเสียงมีความสําเร็จในชีวิตในโอกาสต่อๆไปก็ได้ดูมไห ม, มเพราะด้วยความที่ว่าเขาจิตทําจิตให้เป็นกุศลธรร์ตลอดอื ม, อ ม, มก็จะใช่มันก็จะมีมีโอกาสที่จะทําดีอยู่เรื่อยๆใช่ไหมครับในขณะที่เด็กชายคนหนึ่งเด็กชายน้ําน้ําตกเด็กชายน้ําตกนี่เรียนเก่งมากเด็กชายน้ําตกเรียนเก่งมากเรียนเก่งแล้วก็มีความฉลาด นะเก่งทั้งกีฬาด้วยเก่งทั้งเรื่องการเรียนด้วยแล้วก็หน้าตาดีด้วยโอ้โหอะไรจะเพอร์เฟกขนาดนี้เด็กชายน้ำน้ําตกนะป ร, รากฏว่าเด็กชายน้ําตกนี่ก็มีความสุขทุกอย่างในเรื่องของกรรมเก่าคือหมายความว่ามีกรรมเก่าที่เป็นภาษาที่น่าพอใจหมดเลยนะเกิดในสกุลก็ดีริงก็เก่งหน้าตาก็ดีนะแล้วก็พอดีอย่างนี้แล้วเนี่ยปรากฏว่า เ, เด็กชายน้ําตกนี่ดันไป ยกตนข่มท่าน่ะเที่ยวดูถูกคนอื่นเดี่ยวคิดไม่ดีคนอื่นฉันเก่งคนเดียวนยยกตนข่มคนอื่นแต่ด้วยความที่จิตของเขาเป็นจิตที่เป็นอกุศลอันนี้คุณทําไม่ถูกละอืมอันนี้คุณทําไม่ถูกนะถึงแม้ว่าคุณจะดีตลอดแต่ถ้าคุณคิดอย่างนี้คุณทําไม่ถูกเข้าใจไหมเพราะนั้นเราก็จะเรากําลังจะแยกกรรมเก่านะกรรมเก่ากับกิริยาที่เราจะทําใหม่นะให้ทุงฝั่งได้ได้เห็นชัดเจนนะระหว่างเด็กชาน้ําเงิน เด็กชาน้ําทะเลแล้วก็เด็กชายน้าตกครับ<ช>เพราะฉะนั้นกรรมเก่าเนี่ยที่พระเจ้าอธิบายไว้ชัดเจนก็คือว่าเป็นความที่เรารู้สึกต่ออารมณ์ได้ทางตาหูจมูลินกายและใจ mm hmm. ะเรื่องนี้นะเคยมีตัวอย่างที่พระเจ้ายกให้ฟังมี mm hmm. เศรษฐีคนหนึ่งเขาตายไปนี่ในใ น, ในเป็นพระวจนะนะอันนี้นะเรื่องที่เล่าให้ฟังนี่นะไม่ใช่ยกตัวอย่างพวกนี้นะ <Yeah. S 2> อะมีเศรษฐีคนหนึ่งตายไปในกรุงสาวัตถี พระเจ้าเปรียที่โกศล น, นี้ก็เลยต้องไปเก็บทรัพย์นะเพราะว่าเศรษฐีคนนี้ไม่มีลูกลนพอไปเก็บทรัพย์แล้วก็พอโอ้โหเงินมันเยอะมากจริงเป็นแบบว่าหลายหลายพันล้านนั้นหลายๆพันล้านสมัยก่อนนู่นนะก็เลยเก็บมาเสร็จก็ตอนนั้นยังเป็นช่วงกลางวันอยู่ก็เลยเาว่างๆอยู่ก็เลยแวะไปหาพระทเจ้าในมหาวิหารเชตาวันพอไปหาพระเจ้าในมหาวิหารเจชตาวันแล้วก็พระพุทเจ้าก็สงสัยอ้าวปกติแล้วกษัตริย์นี่จะมีงานมากในช่วงกลางวัน นะจะมาวัดได้ก็ต้องตอนเย็นเลิกงานไปแล้วอทําไมวันนี้มากลางวันได้ก็เลยถามพระเจ้าประเสนยิโกสนพ ร, ระเจ้าปเปเสนยิโกสนก็เลยเล่าให้ฟังว่าเ อ, อไปเก็บทรัพย์มาเศรษฐีคนนี้ตายไปแล้วก็เงินเยอะมากเลยลูกก็ไม่มนะีก็เลยเล่าให้พระเจ้าฟังเรื่องนี้ว่าอเศรษฐีคนนี้นะมีความเป็นอยู่ที่แปลกมากนะเขากินข้าวนี่นะเขาก็เอข้าต้มนี่เอาเอ า, เอาก้อนกรวดเนี่ยคุกเกลือแล้วก็กินกับข้าวต้มเป็นคนคจีนสมัยก่อนนะครับ ที่มาตองนู้นจ น, จนมาเสือพืชนะใบในเมืองไทยเนี่ย<ม>กินข้าวต้มกุ้งกรวดกลวดคลุกเกลือกินไปแล้วก็พอเสร็จปุ๊ บ, บก็เอากรวดเนี่ยออกมาล้างใหม่แล้วกินมือต่อไปลักษณะนี้ข้อที่2เวลาเขารถ เ, เวลาเขาไปไหนเนี่ยรถที่เขาใช้ไปเนี่ยนะเขาจะเทียมม้าใช่ไหมหรือเทียมมัวเนี่ยนะรถที่เขาใช้ไปเนี่ยเป็นกเกวียนเนี่ยก็เป็นกเกวียนลักษณะที่ปะถ้าปะทางไว้ด้วยไม้ไผ่เป็นเกวียนเก่าคร่ํคราอย่างนี้ไป แล้วก็ตัวเองนี่นุ่มข่มเสื้อผ้าด้วยเอาผ้าเศษผ้ามาต่อๆกันคือไม่ใช่ผ้าเนื้อดีอาผ้าป่ า, ปาโอ้ยทําไมรวยขนาดนี้แล้วยังมามีความเป็นอยู่ที่กระเบิดกระเสียขนาดนี้ก็เล่าให้บริจาฟังอาบริจาของเราก็เลยบอกว่าอมเศรษฐีคนนี้เขาเป็นอย่างนี้แหละนะเลย เ, เล่าบุพกรรมนะของเศรษฐีคนนี้ให้ฟังว่าเศรษฐีคนนี้เมื่อสมัยก่อนนี่ก็เกิดในเมืองสาวัตถีนี่แหละแล้วก็ได้เคยให้ทานในประเจกบริจ้า ในการให้ทานเขาก็ทำอย่างนี้คือเขานั่งกินข้าวอยู่ณนะเห็นรประเจิวุฒิเาเดินผ่านมาก็เลยสั่งให้ลูกน้องของตัวเองเนี่ยเอาอาหารไปให้นะเอาอาหารไปถวายนะตัวเองไม่ได้ถวายด้วยมือด้วยซ้ําแล้วเอาอาหารไปถวายเสร็จปุ๊บตัวเองก็ลุกเดินไปแณนะระหว่างที่ลุกเดินไปก็คิดว่าโอ้ยไม่นาใหยเลยน่าจะเอาไปให้ลูกน้องกินดีกว่าไม่นาให้พระเลยในะคิดอย่างนี้อนะแล้วในชาตินั้นเนี่ยเขาก็อได้ฆ่าลูกของพี่ชายเพื่อที่จะคุบทรัพย์สมบัติทั้งหมดโอ้อ พอด้วยด้วยพอเขาหมดอายุตายไปใช่ไหมเขาก็เป็นเศรษฐีนะพอตายไปเสร็จปุ๊บเนะี่ยด้วยผลของกรรมนะผลของกรรมนะที่เขาท่้ถวายทานในพระบัจจุพุทธเจ้าไม่ได้ทําเองด้วยนะให้คนเหนือไปให้แต่ทนะัพีเดียวนั่นแหละถวายข้าวนะเสร็จแล้วปุ๊บก็เลยทําให้เขาไปเกิดในสวรรค์นี่พุทธวจนะน ะ, ะตลอดกาลนาะนอุย้ยยาวนานมากยาวนานมากเสร็จแล้วก็เลยหลังจากหมดบุญนั้นแล้วเนี่ยนะก็เลยมาเกิด ด้วยเศษของกรรมนั้นเศษของกรรมนั้นนะทําให้มาเกิดเป็นเศรษฐีในเมืองสาวัตถีเนี่ยเจ็ดชาติแล้ว<อ>นะเจ็ดชาติต<ำ>ิดต่อกันน ะ, ะแล้วก็แต่ละชาติเนี่ยด้วยความที่เขาไปฆ่าลูกของพี่ชายนะทําให้เขาเนี่ยไม่มีบุตรเลยในเจ็ดชาตินั้นออไม่มีบุตรเลยในเจ็ดชาตินั้นนะครับแล้วก็เป็นคนที่มีทรัพย์มากจริงๆเป็นเศรษฐีเนะี่ยว่างั้นเถอะถ้าคนที่จะได้ตำแหน่งเศรษฐีนี่ไม่ใช่ขีนะ้หมูขี้หมานะหมอรัชพงศ์ต้องเป็นคนที่มีทรัพย์มากจริงใช่ครับ แล้วก็ความที่เขาไปฆ่าลูกพีชายทำให้เขาไม่มีไม่มีทรัพย์ไม่มีก็ไ ม, มไม่มีลูกไม่มีลูกแต่แล้วก็ด้วยผลกรรมของความที่เขารู้สึกเสียดายในบุญที่เขาทําไปในบุญที่เขาถวายพระพเจิผู้ชาองค์นั้นเนี่ย ค, คือให้คนอื่นไปถวายให้นะตัวเองลุกขึ้นมาแล้วก็โอ้ไม่น่าจะถวายเลยเสียดายว่ะเอาไปให้ลูกน้องกินดีกว่าคิดอย่างนี้นะคิดแค่นี้ด้วยความคิดตรงนี้ทำให้เขาเนี่ยไม่ได้ความสุขจากทรัพย์สมบัติที่เขามี เข้าใจไหมคือทําให้ต้องกินของเน่าเน่าเสียเสียกินของไม่ดีแล้วก็อยู่ความเป็นอยู่ด้วยความเป็นอยู่แรงแค้นทางนั้ น, นสุดใครมีเงินมากจริงๆนะมีเงินมากจริงๆแล้วถามว่าเรื่องนี้เป็นพุทธวัจนะที่พระเจ้าตรัสกับพระรพรเจ้าประเสันดิโกสลระบุถึงกรรมเก่าของเศรษฐีคนนี้ว่าทั้งทั้งที่รวยมหาศาลแต่ว่าเพราะกรรมเก่า แะเพราะความที่เขาทําให้เขรู้สึกต่ออารมณ์ว่าเฮ้ยฉันต้องเขียมฉันต้องเก็บฉันต้องไม่กินฉันต้องไม่ทําฉันต้องไม่ใช้ฉันต้องตรนีรตระนีนี่แหละนี่แหละนี่แหละมันอยู่ในจิตเขาทําให้เขาไม่ได้เสพความสุขจากทรัพย์สมบัติที่เขามีอืมครับอันนี้เป็นกรกรมเก่าแน่นอนนะเป็นกรกรมเก่าที่ให้ผลอยู่ทีนี้พระเจ้าเศษนี้กดสนแล้วก็โอ้เป็นอย่างงี้นี่เองเหรอเนี่ยผู้แล้วถามมรรคติที่ไปของเศรษฐีคนนี้เป็นยังไงถามพระเจ้า นะบูชาวก็บอกว่าเออเศรษฐีคนนี้เนี่ยนะถ้าบอกว่าได้ทําบุญนะให้ฐานรักษาศีลเจริญภาวนาอยู่เนี่ยก็จะไปสวรรค์ต่อแต่เพราะว่าความที่เขาเกิดในเจ็ลอดเจ็ดชาติเนี่ยเขาไม่ได้ให้ฐานรักษาศีลหรือเจริญภาวนาพวกนี้เลยทนะําให้เขาก็จะต้องไปลงนรกเพราะว่าบาปกรรมที่เขาได้เคยฆ่าลูกของพี่ชายไวแสดงผลใช่ครับตัวอย่างนี้มีในเมืองไทยหมอรัตพงศ์เศรษฐีรวยมาก มันเป็นเศรษฐีที่ดินอยู่แถวจังหวัดหนึ่งใกล้ๆกรุงเทพนะก็เนื่องจากความที่ที่ดินมันราคาสูงมากขึ้นนะกรุงเทพเมืองมันขยายโตไปทางนั้นเนี่ยเขามีที่มหาศาลเลยรวยเป็นพันๆล้านนังจากช่วงเศรษฐกิจบูมตอนช่วงของสมัยชาติชายชุณวันแล้วก็ที่ทางอะไรขายไปโอ้รวยมากแต่ความที่คือเขาก็ยังยินดีเสื้อผ้าเก่า เสื้อผ้าเก่าๆคือหมายความว่างี้นะคือตอนเนี้แก่แล้วมากแล้วอายุ 80-90 เนี่ยลูกหลานจะเอาเสื้อผ้าเก่าๆไปทิ้งเนี่ยตัวเองใส่ตัวเองใส่มอซ้อเนี่ยเอาไปทิ้งไปอะไรเงี้ยก็ไม่ไม่ยอมแต่ต้องไปตามหาเก็บม า, าไปทิ้งที่ไหนก็เก็บมาใช้ต่ออย่างเงี้ยอือคือเป็นยินดีในสิ่งที่ไม่ค่อยมีมูลค่าไม่มีราคาอะไรเสื้อผ้าตรงนี้ก็ไม่ได้มีราคาอะไรไม่ได้มีมูลค่าทางใจอะไรหรอกเป็นเพราะความตระนนนีนั่นแหละตะนันนีอันนี้เป็นตัวอย่างที่ยงให้ฟัง ว่ามันมั น, ม, นมันเป็นได้ทุกอย่างนะ <Okay. S 1> อยู่ที่ว่าเราทําจิตยังไงอย่างในกรณีของเศรษฐีคนนี้นะเอาเศรษฐีคนเนี้ที่เจ้าพูดถึงเนี่ยนะถ้าบอกว่าเขาจะตั้งใจทํากรรมใหม่นะคือเขาจะออกจากสิ่งที่เป็นอกุศลละ่นะออกจากสิทธตที่เป็นจิตตะนีด้วยการทํำยังไเงเดินตามมักไงทํำยังไงให้ทานรักษาศีเลเจริญภาวนาถ้าเขาทําอย่างนี้นะพยายามที่จะทําจิตให้อยู่ในทางนะเขาก็จะดีขึ้นมาได้นะครับ คือ<ม>คือนี่เรากำลังพูดถึงเศรษฐีคนนี้ที่เป็นคนรวยอยู่แล้วนะใช่ครับในขณะที่ตัวอย่างที่จะมากยกถึงคือเด็กชายน้ําเงินเนี่ยที่เขาเรียนไม่ค่อยเก่งแต่เขาตั้งใจทําความเพียรมีเพื่อนดีเขาก็ดีขึ้นมาได้นะครับอันนี้เราก็เห็นอยู่ชัดๆไปใช่ครับมีเห็นเห็นได้ในชีวิต<ม>จริ ง, รงๆครับเรื่องเรื่องกรรมเก่ากับเรื่องผลของกรรมเนี่ยนะมันลึกซึ้งซับซ้อนมากนะเกรรมเก่าที่ว่าเป็นความที่เรารู้สึกต่ออารมณ์ได้เนี่ย อย่างบางทีเศรษฐีบ้านนอกอย่างเงี้ยเศรษฐีบ้านนอกคนอยู่ในบ้านหนองเต่ารวยแต่ว่าเขาเขารวยที่สุดในหมู่บ้านนะแต่ว่าความรวยที่สูงเขาในหมู่บ้านเนี่ยก็ประมาณมิดเดิลอัปเปอร์คลาสในกรุงเทพแตคนที่มิดเดิลอัปเปอร์คลาสคืออยู่ในมิดเดิลคลาสแต่อยู่ชั้นสูงหน่อยของมิดเดิลคลาสเนี่ยยังมีเงินมากกว่าพวกที่เศรษฐีบ้านนอกเลยสําแต่ว่าเศรษฐีบ้านนอกเนี่ยมีความสุขมากเลยนะชีวิตเรียบร้อยมีความสุขลูกเต้ารักกันได้รับยกย่องนับหน้าถือตาในหมู่บ้าน แต่บางคนในกรุงเทพอย่างเงี้ย upper middle class ก็จริงมีเงินอยู่ก็จริงแต่กลับมาบ้านทะเลาะกันลูกเต้าไม่รักกันครอบครัวแตกแกลกันมีเงินอยู่ถามว่าตรงเนี้ยเราจะเอาความความที่เขามีปริมาณเงินมากเนี่ยวัดนี่มันยากมากในความสูงคนเพนะราะฉะนั้นอย่างเด็กบางคนเนี่ยเด็กบ้านนอกเล่นกันสนุกสนานนะไม่มีความเครยียดไม่มีอะไรเล่นของเล่นแบบของ เ, เล่นเด็กบ้านนอกเนี่ยแต่ว่าเด็กในกรุงเทพเล่นเกมกดคอมพิวเตอร์ก็จริงแต่ว่า พูดไม่ดีกับพ่อแมนะ่คิดไม่ดีกับเพื่อนนะมีแต่ความอยากความหิวความอะไองต่างๆที่ทําให้จิตของเขาไม่มีความสุขมีความเครียดแต่เพ้นมันก็วัดด้วยการที่ประมาณเงินมากไม่ได้แต่ว่าความสุขของคนเนี่ยมันอยู่ที่ว่าการที่เขารู้สึกต่ออารมณ์ได้ทีนี้ว่าเงินมากหรือไม่มากเนี่ยมันก็เป็นบุญของคนนั้นด้วยไงแต่ถ้าคุณมีเงินมากก็จริงนี่ก็เป็นบุญของคุณแต่ถ้าคุณมีเงินน้อยอันนี้ก็เป็นบุญของคุณแต่ว่าการที่มีคุณมีความสุขต่อสภาพของชีวิตของคุณนั้นนี่ก็็เป บุญเป็นบาปของคุณที่คุณต้องรับไปเพราะมันจึงเป็นการพยายกรยากมากว่าใครจะมีความสุขในประมาณเงินที่มากหรือว่าชีวิตที่เลื่อนหรูอลังการหรือว่าใครจะมีความทุกข์ในชีวิตที่ไม่ค่อยเลื่อนหรูอลังการอยู่บ้านชั้นเดียวไม่มีวอลเปเปอร์เขายังมีความสุขได้อย่างสิทธิบ้านนอกองี้อยู่บ้านชั้นเดียวนะไม่มีวอลเปเปอร์นะแต่ว่าก็ติดกระเบื้องติดลายนะได้รับการยกย่องนับหน้าถือตาในหมู่บ้านอุ้ยดีจะตายแต่ถ้ามาเปรียบเทียบกับคนในกรุงเทพเนี่ย รวยหรือเป็นไฮโซก็ตามแต่ไม่มีความสุขในชีวิตมันก็อีกเรื่องหนึ่งเพราะฉะนั้นเรื่องกรรมนี่เราพยากรณ์ได้ยากหลวงพ่อเจ้าจึงสอนที่ว่าเางั้นเรามาถึงวิธีท่านที่จะสิ้นกรรมดีกว่าเพื่อที่ใชใ้เรามีความสุขอย่างที่สุดยอดซึ่งจะพูดในรายการตรงตร ง, ตรงต่อไปในส่วนของการตอบคำถามเบอร์พยัญชนะ อ, อีกอันหนึ่งที่ควรจะใช้ให้ถูกต้องก็คือว่าเรื่องของการที่อโหสิกรรมนี่แหละ ย้วยเห็นโทษด้วยความเป็นโทษแล้วก็ทํำคืนตามธรรมนั่นถ้าจะใช้ให้ถูกก็คือว่าเราแก้ไขให้ถูกทําคืนตามธรรมตรงนี้พระพุทธเจ้าก็ใช้ศัพท์อื่นที่ไม่ใช่คําว่าโอโคิกรรมเลยอืใช้คําว่าอะไรนะครับใช้คําว่าทําให้ถูกต้องตามธรรมทาให้เหมือนธรรมะยถาธรรมมังแค่นั้นเองทําให้เป็นไปตามธรรมแล้วก็ทําให้ถูกแค่นั้นเองอะไรที่ทําผิดเนี่ย อ, อัจจริยะเนี่ยอัจจรยะนี่คือทําให้ทําผิดทําไม่ถูกเนี่ยก็ทําให้มันทําคืนให้ถูกซะทําให้ถูกตามธรรมอย่างเงี้ยครั บ, ครบแค่นั้นเองทําให้ถูกตามธรรมหมายความว่าไงนะไมาย ว, ว่าอ้เจือ่องที่ควรล ะ, ะธรรมะนี่มีอยู่อยสองส่วนใหญสรร่ส่วนที่ควรละกับส่วนที่ควรทําให้มากแต่ส่วนที่ควรละก็คือพวกตัณหาพวกกิเลสตัณหากิเลสตัณหาความพยาบาทความขี้ียจขี้คลายพวกนี้ควรละ ส่วนที่ทำส่วนที่ทาให้เจริญก็คือพวกความกตัญญูความเมตตาความไม่เบเบียนพวกนี้ทำสาก็คือทําคืนตามธรรมนันน้นก็ถูกต้องละใช้บทเพียรชนะที่ถูกต้องได้ส่วนเรื่องของพระอรหันต์ที่ว่ากรรมเก่านั้นไม่ให้ผลนั่นก็คือว่ากรรมทั้งหมดเนี่ยเป็นกรรมที่เป็นไม่ให้ผลไปอเป็นกรรมที่เสร็จสิ้นไปแล้วให้ผลเสร็จสิ้นไปแล้วคือจบไปแล้ว ค, นะคือพุทธชาใช้คําว่าสินส้นกรรมสิ้นกรรม นะคือไม่ใช่ว่าปริกรรมปริปกกรรมะด้วยนะคือไม่ใช่ว่าให้ผลเสร็จแล้วนะไม่ใช่นะเพราะมันยังให้ผลไม่เสร็จนะแต่ว่าเป็นกรรมที่สิ้นไปเลยนะก็คือความที่พระอรหันเนี่ยไม่รับรู้ต่อความรู้สึกที่มาจากทางตาหูจมูกลิ้นกายใจอีกต่อไปนะคื อ, อมไม่สะดุ้งตามเวทนาที่เปลี่ยนแปลงไปตามขันต่างห้ามเมื่อเป็นผู้ไม่สะดุ้งก็เป็นผู้ที่ปริญั์ปนเฉพาะตนสไปละเป็นผู้ที่สิ้นกรรมไว้อย่างนั้น เพราะถ้าจะพูดให้ถูกแก้ไขนิดนึงจากคราวที่แล้วที่บอกว่าพระอรหันต์เป็นอโหสิกรรมแล้วแก้ไขไม่พูดมามันพูดผิดอย่างนี้แหละก็เลยจะต้องเปลี่ยนเป็นว่าเป็นผู้ที่สิ้นกรรมแล้วคดังนี้ครับเเราใช้เวลาประมาณยี่สิบนาทีในการที่จะ wrap ั p เรื่องของกรรมที่ได้พูดผ่านมาครับะตอนนี้คุณหมอธนภูมีคําถามเกี่ยวกับเรื่องของกรรมที่เราพูดมานี้มาไหมครับอคําถามมีของท่านผู้ฟังของเราอะครับส่งมา อ๋องั้นก็ข้ามไปถึงคำถามของท่านฟังเลยครับอเริ่มจากใครอีกมีของคุณมคคานุขามัคคานุกาถามว่าไงครับำถามแรกถามว่าความหมายของคําว่าอนัตตาครับโอ้ยาวไหมครับพราะหมายของคําว่าอนัตตาอนัตตาเป็นคุณสมบัตินะเป็นคุณสมบัติเป็นคุณสมบัติสั้นกันกันนะครับก็คือเป็คุณสมบัติของความที่เอพูดงี้ดีกว่ามีหลายๆคนที่เขานั่งสมาธิเนี่ยนะครับแล้วก็บางทีก็ เป็นความรู้สึกที่เหมือนกับสะดุ้งขึ้นมาบ้างตกเหวไปบ้างมีปิติเกิดขึ้นบ้างตัวสั่นบ้างมีคันหน้าบ้างหรือว่าบางทีมีตัวกระตุกอย่างนั้นอย่างนี้บ้างเหมือนกับลอยขึ้นไปในฟ้าบ้างเบาว่างหนักบ้างมีหมดเลยนะไอความรู้สึกต่างๆเหล่านี้เป็นเวทนาก็ปมีเป็นสัญญาก็มีเป็นสังการก็มีถูกไหมครับนี่ต้องถามว่าไอความรู้สึกอางนั้นมันเที่ยงหรือไม่เที่ยงคือคือมันมก็ไม่ได้เกิดตลอดถูกไหม ใช่ครับมันก็เกิดบ้างบางครั้งบางคราวใช่ไหมบางทีเห็นนิมิตอย่างนั้นอย่างนี้เอนิมิตเราก็ไม่ได้เห็นตลอดนะครับบางทีก็เห็นเป็นแสงบ้างอะไรบางทีก็ไม่เห็นใช่ไหมแสดงว่ามันไม่เที่ยงครับนะสิ่งใดที่ไม่เที่ยงเนี่ยมันเป็นทุกข์หรืเป็นสุขเป็นทุกข์ครับเป็นทุกข์แน่นอนใช่ไหมเพราะมันทำให้เราทุกข์มันทําให้เรากังวลเอ๊ะมันเป็นอะไรนะทำไมมันถึงเกิดขึ้นมาเป็นเพราะอะไรทําไมฉันเป็นอย่างนี้ต้องไปแกลกรรอย่างนี้หรือเปล่าเนื่องเป็นเพราะอะไรกันแน่อะไรเป็นทุกข์ใช่ไหมสิ่งที่เป ครับเห็นเป็นอนัตตาเป็นอนัตตายู่มไหมทีนี้การที่เรามาถามว่าเอ้ยสิ่งนี้เป็นอะไรทําไมเป็นอย่างนี้เนี่ยเพราะว่าความที่เรายังยึดถือด้วยความเป็นอัตาอยู่เพราะอัตาเนี่ยคือความที่เรายึดถือเป็นตัวตนะอนัตตาคือความที่เราเปล่อยวางแล้วเหมือนกับหญ้าไม้กิ่งไม้ข้างนอกเนี่ยนอกบ้านเราเนี่ยเราไม่สนใจว่ามันจะเป็นยังไงนั่นแหละคืออนัตตาเพราะว่ามันเป็นอนัตตาจริงๆทุกอย่างเป็นอนัตตาอยู่แล้วนะแต่เราไปเห็นว่ามันเป็นอนตาในตัวเรา อย่างนี้เป็นต้นแต่พอต้นไม้มที่เราจะมาปลูกเพื่อความสวยงามเอาเราป เ, เป็นเป็นเป็นอาตาอีกแล้วนะครับอ่าลักษณะ น, นี้อืมมีมีคําแปลที่เคยได้ยินว่าอนัตตาแปลว่าไม่ใช่ตัวตนอย่างนี้ได้ไหมครับท่านอืมมันก็จะแปลคือภาษาไทยมันมันมัน ม, มันเป็นอย่างนี้พุทธเจ้า บ, บอกว่านาะเมโสอาตานาะเมโสอาตาเนี่ยคือไม่ใช่ตัวตนเนตังมะมะเนโสหิมัสมินาะเมสสอาตา ค, คือที่บอกว่า สิ่งใดที่ไม่เที่ยงเนี่ยสิ่งนั้นก็ควรจะเห็นว่าเป็นไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวตนของเราครับนะในตังมาม่าในโสหิมัสมินะเมโสอตานั่นไม่ใช่ตัวเรานั่นไม่ใช่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราแล้วถ้าบอกว่าอนัตตาคือไม ами, ใ imi, ่ใช so ่ตัวตนมันก็จะเป็นกับนะเมโสอตาซึ่งมันไม่ใช่อ๋อนะเมโสตาเนี่ยไม่ใช่อนัตตาครับเข้าใจไหมนะเมโสตาไม่ใช่อนัตตาเพราะบาลีมันกฏละอนแล้ว เพราะฉนั้นถ้าเราแปลว่านั่นไม่สอัตตาคือไม่ใช่ตัวตนแล้วแปลอนัตตาว่าก็ไม่ใช่ตัวตนอีกเอา้าแล้วมันมันยังไงกันแน่อืออคืองา่งายๆคืออนัตตาเนี่ยจะมีคุณสมบัติของสามอย่างนี้คื อ, อนั่นไม่สอัตตาในตั้ง ม, ะมะัมะในสโซหิมาสมิมใช่ไห ม, มก็คือว่ามไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นเราแล้วก็ไม่ใช่ตัวตนของเราให้สามอย่างนี้รวมกันเรียกว่าอนัตตาครับเออเพราะฉะนั้นไอ้ความที่เอ่อความที่เอาใหม่ก่อนนะไอ้ไอ้ความที่เราจะต้องเห็นสามอย่างเนี้ย คือเห็นสิ่งที่เป็นอนัตตาเนี่ยโดยความเป็นของสามอย่างนี้เอาไว้เอาไว้เห็นของที่เป็นอนัตตานั้นโดยความเป็นของสามอย่างนี้ว่าไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวตนของเราอะไรที่มีคุณสมบัติของความเป็นอนัตตาเราจะต้องเห็นของสามอย่างของอนัตตานั้นโดยความเป็นของสามอย่างนี้ครับเช่นแขนเป็นอนัตตาไหมแขนเป็นอนัตตานะเพราะเราควรจะเห็นแขนว่าไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวตนของเรา ครับอปาก้าเป็นอนัตตาไหมเป็นนะเพราะมันไม่เที religion, ่ยงนะใช่ส uh ิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นอนัตตานะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องเห็นว่าเออปาก้านี่ไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวตนของเรานะออืรถยนต์ที่จอดอยู่ในบ้านเราในจอดอยู่ในบ้านเราเเป็นเป็นเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงนะไม่เที่ยงไม่เที่ยงนะแสดงว่ามันเป็นอนัตตามันมีคุณสมบัติของความเป็นอนัตตาด้วยนะสิ่งที่เป็นอนัตตาเนี่ยเราควรจะเห็นว่าเป็นของเราหรือเป็นตัวตนของเราหรือเป็น เราไหมคำตอบคือไม่ใช่นะไม่ใช่ครับเพราะฉะนั้นก็คือว่าสิ่งที่เป็นอนัตตามีคุณสมบัติของความเป็นอนัตตาอย่างเช่นเราบอกว่าปากกาแท่งนี้สีน้ำเงินทําจากวัสดุอย่างนี้มีอายุใช้งานเท่านี้ทํางานในสภาพอุณหภูมิเหล่านี้คุณสมบัติอย่างหนึ่งก็คือมันเป็นอนัตตาสิ่งที่เป็นคุณสมบัติความเป็นอนัตตาเราควรจะเห็นด้วยความเป็นของสาอย่างคือไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเรา อเพราะฉะนั้นไอ้ความรู้สึกที่เกิดขึ้นในใจของเราเวลาเรานั่งสมาธินะปิติก็ตามวูบๆก็ตามแสงก็ตามนิมิตก็ตามคันๆก็ตามกระตุกกตุกก็ตามตกเหวก็ตามพวกนั้นเนี่ยมันมันไม่เที่ยงมันเป็นอัตลักษณ์นะรเราควรจะเห็นว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราอืมครับพอถ้าเห็นเราเห็นเร่องนี้เราก็จะปล่อยวางได้ก็จะไม่ถาม ก็จริงๆก็จะมาสอดคล้องกับคําถามของคุณต ร, ระดลบดนะีที่คุณตระดลได้มาแบ่งปันประสบการณ์ของตัวเองในเรื่องของการปฏิบัติว่าพอปฏิบัติไปแล้วก็ปล่อยวางได้คือ น, นั่งสมาธิไปแล้วก็เหมือนปวดขาแล้วก็ระลึกถึงสิ่งต่างๆที่เคยทำผ่านมาดีไม่ดีบ้างแล้วก็ปล่อยวางลงไปทําให้เกิดปิติขึ้นมาแล้วก็เลยคิดว่าเอ๊อันนี้เป็นอะไรกันแน่เป็นลักษณะของวิปัสสนาหรือวิปัสสนึกหรือเป็นวิปรายกันแน่ คือน้ำตาไหลจนไม่ยอมหยุดเนี่ยถึงกับว่าเหมือนกับเออเหมือนกับคนบ้าร้องไห้ที่ว่าตัวเองเป็นอย่างนั้นครับอก็เลยมาถามว่าเอ็มเป็นวิปลาสหรือว่าผมเป็นเป็นบ้าหรือเปล่าก็คือจริงๆแล้วมันเป็นอย่างนี้กรณีของคการที่เราปล่อยวางได้คือเห็นว่านี่ไม่ใช่เป็นเรานี่ไม่ใช่ตัวเรานี่ไม่ใช่ตัวตนของเราเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นมาลพงศ์เพราะเราเห็นอย่างนี้แล้วเราจะปล่อยวางได้ถูกต้องครับนะคนที่เห็นอย่างนี้ชื่อว่ามีปัญญานะ คุณมีปัญญาคุณเห็นอย่างนี้คุณปล่อยวางได้ปล่อยวางได้แล้วเหลืออะไรอ๋เหลือความว่างไงเหลือความว่างว่างใช่ไหมเออสมมุติว่ามันอยู่ที่ว่าเราปล่อยวางได้หมดหรือไม่หมดนะสมมุติว่าคุณปล่อยวางได้ครึ่งหนึ่ง้วก็ยังเหลือไอ้ครึ่งที่ยังปล่อยวางไม่ได้แล้วก็ความว่างของไอ้ครึ่งที่ปล่อยวางได้ตรงไปที่หนึ่งสมมุติคุณปล่อยวางได้ครึ่งหนึ่งคุณวางได้ครึ่งหนึ่งไอ้ไอ้จะวางได้ไงวางได้ไง โอเ ห, न, เ, ห ına, เห็นเห็นนะเห็นเห็นว่ามันไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัตวตนของเราเห็นอย่างนี้เรียกว่ามีปัญญานะครับคุณเห็นว่าอันนี้เป็นอนัตตารู้คุณอุนสมบัติว่าอันนี้เป็นความเป็นอนัตตาคุณรู้ตรงนี้อาศรรยายัยเอกประใจอะไรอะกันมารู้มีสมาธินะคุณคมีสมาธิทําให้คุณรู้ว่าอันนี้เป็นอนัตตาพอคุณรู้ว่าอันนี้เป็นอนัตตาคุณก็เห็นว่าไออันนี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวตนของเราพอเห็นงี้คือเห็นตามที่เป็นจริงใช่ไหมเห็นตามที่ที่มันเป็นนะ เห็นไหมที่มันเป็นเสร็จปุ๊บเราปล่อยวางได้ปล่อยวางได้สมมุติปล่อยวางได้ครึ่งหนึ่งนะสมมติปล่อยวางได้ครึ่งหนึ่งหรืออะไรหรือไอ้ครึ่งหนึ่งที่ยังปล่อยวางไม่ได้แล้วก็เหลือความว่างของที่ปล่อยวางได้แล้วอืความว่างของที่ปล่อยวางได้แล้วคืออะไรมาลตอมงคือนิพพานของที่เราวางได้เข้าใจไหมครับสมมุติเราวางได้นะวางได้ครึ่งหนึ่งใช่ไหมสิ่งที่ยังเหลือคือเหลืออยู่อีกครึ่งหนึ่งนะแล้วก็เหลือนิพพานของไอ้ที่เราวางไปได้ ใช่ไหมอันนี้นะทีนี้เข้าหไปสมมุติว่าเราวางได้หมดเลยเราวางได้หมดเลยวางได้หมดเหลืออะไรก็เหลือความว่างของไอ้ที่วางได้หมดนั่นแหละอ๋อก็เป็นนิพพานพานของที่วางได้หมดนั่นแหละครับทีนี้ถามว่าแล้วพอวางได้แล้วสมมติวางไดครึ่งหนึ่งเอ๊ะไอเวทนาที่มันเกิดมันร้องไห้มันจีจัดขึ้นมามันเบามันสบายนั่นแหละคือคืออาจจะเป็นเวทนาก็ได้นะไอไอที่เป็นอย่างนั้นนี่ยเป็นเวทนาหรือเป็นปิติหรือเป็นอะไรนะก็อยู่ที่ว่า คุณธาาดลเนี่ยวางได้เท่าไรถ้าวางได้ครึ่งหนึ่งสม <Hur> หรือวางได้ไม่หมดนะนะคือมันก็วางได้หมดหรือวางได้ไม่หมดตอนนั้นเองถ้าวางได้ไม่หมดนะไอ้สิ่งที่เรารู้สึกตอนนั้นเนี่ยอาจจะเป็นสิ่งที่เหลืออยู่ก็ได้หรืออาจจะเป็นสิ่งที่ความว่างของไอ้ที่เราวางไปแล้วก็ได้เข้าใจไหมครับอย่างเราหยุดพ Step ักผ่อนเนี่ยหยุดพ Step ักผ่อนเนี่ยเราไปหาความว่างๆอยู่สบายๆอย่างนี้นะครับความว่างอยู่สบายๆแล้วก็ เพื่อที่จะว่างๆสบายๆไม่ต้องทำอะไรนะ ต, ตรงนี้อาจจะเป็นความว่างนั้นก็ได้นะหรืออาจจะเป็นเวทนาที่ยังเหลืออยู่ใจที่วางยังวางไม่ได้ไม่หมดก็ได้ใช่ ไ, ไ<ม>แต่<ม>ถ้า<ม>คุณ<ม>วางได้หมดจริงๆถ้าคุณวางได้หมดจริงๆก็เหลื อ, อ จ, จเฉพาะนิพพานของไอ้ที่วางได้หมดนั้นครับ ม, ม, มันก็จะมันเป็นความสุขไหมหรือมันเป็นเวทนาหรือเปล่าหรือมันเป็นอะไรกันแน่อย่างเงี้นะ มันก็คือจะเป็นความที่ไม่สะดุ้งตรงนี้แหละจะเป็นสภาวะที่บุคคลบอกเป็นความสุขสุขที่ไม่ใช่สุขจากสุขไปสุขกวายธนาะไม่ใช่สุขเวทานะเพราะสุขเวทนาเราก็วางไปแล้วใช่ไหมเพราะนั้นตรงนี้แหละคือความสุขที่เป็นนิพพานนิพพานังประมังสุขังคือตรงนี้แหละอืมความสุขอย่างยิ่งเป็นนิรามิตใช่ไหมครับใช่เป็นอคือถ้าเราวางนิรามิตไปได้นะตรงที่ที่เป็นนั้นก็จะไม่ใช่นิรามิตนะอ๋อ ครับคือคือขึ้นมาแล้วผมก็ใช่ไหมสมมุติคุณธาะดลวางได้เท่าไหร่ครับนะก็ยังเหลือสิ่งที่ยังวางไม่ได้ใช่ไหมใช่ที่ ค, คุณรู้สึกนั่นนะอาจจะเป็นคุณรู้สึกในสิ่งที่คุณยังวางไม่ได้นะอืมหรือคุณอาจจะรู้สึกในความว่างของสิ่งที่คุณวางไปได้แล้วอืมเอาเอ า, เอ า, เอ า, เอาคุณถือของนหนักๆไว้หมอแล้วผมครับถือของหนักๆไว้แบกของเต็มบาทเต็มหัวเลยแล้วแล้วก็วางปุ๊บคุณรู้สึกอะไรรู้สึกเบาใช่ถามว่าแล้วความหนักมันไปไหนมันก็คือออกไปแล้วอ่ะ มันก็เป็นความรู้สึกบาถธมว่าอันนี้เป็นอะไรมันไม่ใช่หนักอ่ะคือจะอธิบายว่าไงอ่ะคือมันวางไปแล้วคือถ้าวางยังไม่หมดก็ยังพออธิบายได้แต่ถ้าวางหมดแล้วนี่อธิบายไม่ได้อืมเกิดก็จะสอดคล้องกับพระเจ้าอ่ะนะใช่ใช่ครับกอธิมาไม่ได้ตอบกวนนะแต่อธิมาตอบตามที่พระเจ้าบอกนะครับเข้าใจครับเข้าใจอยู่นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้คําถามของอคุณ มักค่ะลูกค้าก็จะมาสอดค้องกับคุณกำนัลคุณธราดลอันนี้ต้องนะข อ, อแสดงความเขาเรียกว่าอะไรต้องชื่นชมอนุโมทนากับคุณธราดลด้วย<ๆ>ที่ว่าแบ่งปันประสบการณ์นะการปฏิบัติของตัวเองมาที่ให้คนอื่นได้ได้มาฟังด้วยนะคือถ้าใครสนใจก็ไปอ่านได้ในในเว็บไซต์ก็แล้วกันว่าเขามีความรู้สึกอย่างไรเพราะว่าบางทีบางคนอาจจะมีความรู้สึกอย่างนี้มันผ่านไปแล้ววางไปแล้วเราไม่ไดเอามาถามอีกอย่างเงี้ยคือแม้ความรู้สึกนั้นเนี่ย ก็เป็นอนัตตานะอที่คุณธารดลรู้สึกเนี่ยเช่นว่าน้ําตาไหลมันอะไรต่างคือถ้าเราเห็นว่ามันเป็นอนัตตาแล้วเราวางตรงนั้นได้อีกวางไอ้ทีู่่วางแล้วนั่นแหละอีกอืมวางไอ้ที่วางแล้วนั่นแหละคุณมบูวางได้ใช่ไหมวางได้แล้วมันยังไปยึดไอ้ที่วางได้นั้นอีกนะเสแล้วคุณยังวางไม่หมดอืมเอาวางไอ้ที่วางได้นั้นอีกวางให้หมดเลยนั่นแหละแม่มันจะยอดเยี่ยมมากก็เลยต้องถามว่าคุณวางได้หมดคุณวางได้หมดไหม ใช่มครับถ้าบางได้หมดก็ก็ดีครับก็จะเรียกว่ามีมีการสูงขึ้นจิตระดับจิตก็จะถูกยกให้สูงขึ้นใช่เบาขึ้นเบาขึ้นอืมเบา้เป็นความว่างที่ละเอียดขึ้นไปครับมีคำถามต่อของคุณมคานุคานเากลับมาคำถามคุณมคานุคาอีกว่าเรื่องของอสังขตะธรรมสามประการก็คือที่มีคุณสมบัติว่าไม่ปรากฏมีการเกิดนม ไม่ปรากฏมีการเสื่อมอืมแล้วก็เมื่อตั้งอยู่ไม่มีภาวะอย่างอื่นปรากฏอยู่แจ๋วมากเลยเนี่ยคําพูดพระเจ้าแจ๋วจริงๆครับผมคมข่าที่สามคืออ่าเพราะอะไรครับทำไมถึงว่าทําไมถึงเป็นอย่างนั้นเอายกตัวอย่างของกรณีอุนตราดนที่ที่วางได้ครับถามว่าไอ้ที่วางได้เนี่ยคือที่อัตมาบอกว่าสมมติวางได้ไม่หมดนะวางได้หนึ่งในสามยกตัวอย่างเช่นเอาวางได้สองในสามก็ได้ ดีขึ้นมาหน่อยวางได้สองในสามที่เหลืออยู่คือเหลืออะไรเหลือหนึ่งในสามถูกไหมถูกครับบวกกับความว่างของไอสองในสามนั้นเข้าใจไหมครับครรับพำถามว่าไอความว่างของสองในสามเนี่ยมันมีการเกิดไหมความว่างก็ไม่น่าจะมีการเกิดเออมันว่างถูกไหมล่ะแล้วมันเสื่อมไปไหมเราวางไปได้แล้วนะก็ไม่มันก็ว่างๆอยู่ตรงนั้นถูกไหมความว่างของไอสองในสามนั้นนะ นี่แหละคือเมื่อตั้งอยู่ไม่มีสภาวะอย่างนีปรากฏอ๋อก็คือว่างๆไม่มีการเกิดไม่มีอะไรไม่มีกา ร, รเสื่อมด้วยเพราะมันเป็นความว่างครับเข้าใจไหมสมมติเรา<ช>วางได้สองในสามเราจะมีว่า<ม>ที่เหลืออยู่คือเหลือหนึ่งในสา ม, มกับเหลือความว่างของสองในสามนั้นไอความว่างของสองในสามนี่แหละคือการที่ไม่ปรากฏมีการเกิดไม่มีภาวะอย่างนี้ปรากฏครับโอ้โหแจ๋วไหมกรับพู้รเจ้าอืม แก่ครับเพระเาะฉะนั้นถ้าถ้าเราดูเป็นกราฟนะือดูเป็นกล่องๆเนี่ย น, นะครับก็จะต้องคือเหมือนกือเขียนเป็นสมการนะว่าสมมุติเราวางได้นะไอท้ที่ที่วางได้เท่าไหร่นะก็จะที่เหลือสิ่งที่เหลือก็คือจะเท่ากับสิ่งที่วางวางสิ่งที่ยังเหลืออยู่บวกกับความว่างของสิ่งที่ได้วางไปแล้วเพราะฉะนั้นความว่างของสิ่งที่ได้วางไปแล้วนั่นแหล ะ, ะคือมันไม่เสื่อม เมื่อตั้งอยู่ก็ไม่มีอย่างใดปรากฏอืมครับแล้วมันก็ไม่ได้เกิดมันเป็นความมันเป็นความวางมันไม่ได้เป็นการเกิดครับอืมบนี้ครั บ, รบต่อไปคําถามที่สามมีเรื่องของถามว่าราคะมีโทษน้อยแล้วก็คลายช้าส่วนโทสะมีโทษมากคลายเร็วแล้วก็โมหะมีโทษมากคลายช้าคำว่าเพรา ะ, ะอะไรครับ อ, อ๋อก็เป็ น, ปนคําอธิบายที่ผู้เชี่ยวอธิบายลัก <c> ษ <oughs> ณะของอเครื่องกลางกั้นประเภทราคาอย่างเช่นเราเรายกตัวอย่างดูก็ได้ราคานะมีโทษ น, น, น, น้อยคลายช้าราคานี่น่าจะมีมีโทษน้อยคลายช้าใช่เราอยากะจะอยากอะไรสกักอย่างในอย่างหนึ่งอยากซื้อโทรศัพท์มือถือใหม่อยากซื้อรถใหม่อยากซื้อบ้านใหม่เนี่ยมันทําวิจัยกันนาน Mm hmm. อ่าเฮ้ยโทรศัพท์รุ่นนี้ดีไหมเอา Android ดีหรือ iPhone ดีเอาแบล็คเบอรีก็มีเฮ้ยเอาสมาร์ทโฟนดีหรือเอาโทรศัพท์แบบธรรมดาดีอย่างเงี้ยแบบโอ้ศึกษากันเหลือเกินแตนะ่อันรีวิวแล้วอันรีวิวอีกมันมีคลายช้า mm hmm. นะแต่ละโทษน้อยก็คือว่าเราก็ยังทําให้ถูกในสินทาได้แต่กนะ็ ม, มันมีความเสี่ยงตรงที่ว่าเร า, า จ, จะไปผิดสินขโมยเข้ามาหรือ mm hmm. ว่าไปเสพยาเสพติดนะไปทําสิ่งที่ไม่ดีอันนี้มีความเสี่ยงอยู่ในขณะเดียวกันมันก็ยังมีทางออกอื่น เนเช่นว่าเราไปหาทรัพย์อย่างถูกต้องนี่ยได้มาโดยธรรมอันนี้ก็ก็ก็มีได้เพราะนั้นโทษมันจึงน้อยครับอแต่นี่โทษศาสตร์นี่โทษมันมากเพราะมันไม่มีความดีใดๆเลยไม่มีความดีใดเลยคือต่อให้คุณโกรธเนี่ยนะคุณโกรธในใจคุณก็คุณก็ผิดนี่แล้วอ่ะใชมิจฉาสังกปะใช่มหมยิ่งถ้าคุณถ้าคุณด่าคือความโกรธเนี่ยนะมีแม้แต่น้อยก็ไม่ดีเพราะว่ามันมันไม่มีช่องทางที่จะให้ดีๆออกได้อย่างสมมติ ราคานี้ยังมีช่องทางหลุดออกไปได้คือเราใช้เงินไปซื้อมาที่เราหาได้โดยทําใช่ครับอแต่ถ้ามีความโกรธเนี่ยปากคุณขยับปากขยับปุ๊บนี่ก็ผิดแล้ววิชาวาิจารวิชาวิจาแล้วด่าเขาแล้วหลพูดคาหยาบพูดโกหกแล้วอแล้วก็ถ้าเป็นเป็นเอเป็นลงมือลงไม้อีกอา้าวเบียดเบียนอีกแล้วก็ฆ่าอีกโอ้โหมีแต่ไม่ดีอย่างสิ้นเลยเพราะฉะนั้นโทษมนันหนักครับอืแล้วเราก็ลองดูว่า เ, เวลาเราโกรธเนี่ยมันคลายเร็วนะอ ค, ความหนักหนักของความโกรธเนี่ย มันคลายไปเร็วอืมเหมือนพวกเขาไฟระเบิดตูมใช่ทีนี้ที่มันฮึมฮึมอยู่ในใจเนี่ยมันก็ยังมีอยู่นะมันอาจจะมีอยู่ตลอดการทีนี้พอเราไปคิดเรื่องอื่นมันก็ไม่มีละมมันก็มันก็คลายไปแล้วนะทีนี้พอเราเห็นว่าอยู่มึงโกรธกันมานานเลยเนี่ยผ่านไปห้าปีสิบปีเอามันก็เออกลายเป็นจืดจืดไปอย่างแฟนกันเลิกเลิกกันอย่างเงี้ยครับเลิกกันไปโอ้โหตอนช่วงอาทิตย์แรกนี่โหมองกันไม่ได้เลยโกรธมากเสียใจมาก แต่พอผ่านไปห้าปีสิบปีต่างคนต่างแยกย้ายกันไปแล้วก็เราก็โอเคเป็นเพื่อนกันได้ในขณะนี้ครับทีนี้โมหาเนี่ยโทษมากคลายช้าแน่นอนเลยอันนี้ครับมันมืดไปหมดมาแล้วผมมันมืดไปหมดเราคิดดูเราเดินทางไปมืดมืดที่มันมืดไฟก็ไม่มีแล้วเรามีความเสี่ยงในการที่จะชนสิ่งนั้นสิ่งนี้อันตรายมากเลยเราปิดไฟในบ้านเราก็เผเอาปิดไฟไฟดับหมดอย่างเงี้ยเราไม่มีไฟฉายไม่มีอะไรทั้งสิ้นเดินไปในบ้านเนี่ยชนตามตก ติดแตกโอโหตลอดเลยมันมีแต่ปัญหานยะแล้วก็มันมืดตลอดนะ่ะหมอแล้วผมคิดดูมันอันตรายมากแล้วแล้วก็อันตรายมากแล้วก็ตลอดตลอดด้วยครับคือมันไม่มีเวลาไหนที่เราจะสว่างขึ้นไปได้าจากตอนที่เราวางอืม ก็เลยคลายชาด้วยใช่คลายาแนนอนมันไม่มีทางออกอย่างนี้อันนี้เป็นสภาพที่เราเห็นได้ชัดเจนแล้วก็ลองดูในชีวิตจํำเราอ่ะมันก็จะเป็นอย่างนี้แน่นอนอแล้วโมหันนี้เป็นเป็นต้นเหมือนว่าความความที่เรายึดเออความมืดปั๊บมันจะทําให้เกิดโทสะต่อไหมครับแเราเคยเล่าให้ฟังไหมสมัยตอนที่เป็นนักเรียนอยู่นะไปฝึกนักศึกษาวิชาทหารที่เขาชนไก่อ๋ออย่างครับอย่างใช่ไหมไปฝึกนักศึกษาวิชาทหารที่เขาชนไก่เนี่ย ปรากฏว่ามันก็ฝุ่นเยอะมากนะเขาชอนไก่เป็นสถานที่ที่แบบคือคนเขาไม่ไปเที่ยวกันนะนะมันเป็นที่ที่ไปฝึกวิชาทหารก็ใช่ไหมฝึกความอดทนคเออมันเขามันทนมันก็ฝุ่นเยอะมากจริงมันมันไม่ใช่ป่าแบบนั้นมันเป็นค่ายทหารเออใช่ครับแล้วก็กลางวันนี่โอ้โหฝุ่นเยอะมากไม่อยากไปไหนทําอะไรเลยครับแต่พอตกกลางคืนเท่านั้นเองหมอรัตพงศ์กลางตอนคืนต้องมองไม่เห็นมันไม่ได้มีติดไฟตลอดมันมืดไปหมด แต่ฝุ่นมันก็เยอะเหมือนเดิมนะหมอโลกก็ใช่ไหมแต่เรารู้สึกสบายใจขึ้นนิดหนึ่งว่าเอยมันไม่มีฝุ่นไว้เราไปไหนมันก็มันก็มืดๆไม่ไม่ต้องกลัวไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องร้อนแต่มันโทษมันเท่าเดิมแต่จิตใจเราประมาทมากขึ้นครับนี่ทําให้เห็นชัดเลยใครใครเคยไปเขาจนไก่จะทราบมากๆเลยเพื่อยพยายามจะอธิบายให้ฟังเนี่ยก็เข้าใจครับเหมือนกันครับฝุ่นเยอะจริงๆมันมันจะตอนกลางคืนเนี่ยจะเป็นเวลาที่เรา เราคิดว่าเราปลอดภัยหรือว่าเราอย่างน้อยมีภาระน้อยลงเพราะว่ามันมันไม่มีฝุ่นแต่จริงๆฝุ่นเท<ม>่าเดิมครับอมแล้วมันก็มีโทษเท่าเดิมแต่เราประมาทมากขึ้นนี่คือความที่เป็นมืดแต่จิตมืดคนี่คื อ, อคํค า, าคคถามของคุณมักนุชารก็จบไปครับเอาต่อไปมีคําถามของคุณแบ่งปันประสบการณ์มาแบ่งประสบการณ์ของคุณเอ่อโยมมินีเนธอ่าคุณมิีเนธกับพ่อคนโยมมิีเนธครับผม ก็ก็สาธุนนอมมโนธนาด้วยเช่นกันครับคือกา ร, รการปฏิบัติเนี่ยมันก็ดีแน่นอนเนาะธรรมะก็คิดว่าใครสักคนใดคนหนึ่งที่ อ, อยู่ในโลกนี้แล้วมี ค, คาสองผู้เช่าอยู่ได้ยินได้ฟังธรรมะแล้วก็น้อเข้ามาจิตใจเราปล่อยวางได้จิตเราเบาลงเราคลายโรคที่อยู่ในจิตของเราเนี่ยมันจะเป็นการดีมากจะเป็นอุ ป, ปกระกับตัวตัวเองครับ อ, อย่างนี้ ไปแล้วก็หาโอกาสไปอีกนะครับจะได้ฝึกฝึกฝึกอืความเพียรให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปใช่ไหมครับใช่แล้วก็ไอวางความปิติความบาลังเหล่านั้นด้วยนะครับวางความยึดถือในครูบาอาจารย์ด้วยความวางความยึดถือในสถานที่ด้วยและแมพระมรชาญนี่จะบริสุทธิ์บริบูรณ์มากเลยเดีวพระเจ้าพูดถึงว่าให้ปล่อยวางนะก็ไม่ได้ให้ยึดถือแม้ตัวพระองค์เองให้วางสิ่งที่ เป็นธรรมะแม้ธรรมะก็วางด้วยวเราไม่ต้องพูดถึงสิ่งที่ไม่ใช่ธรรมเลยต่อไปมีคําถามของคุณปณิธิถ์ครับแต่ว่าเอาเอ า, เอาโดยโดยสรุปเลยนะครับว่ า, เ, าเรื่องของคือการที่คารวะเนี่ยจะปฏิบัติเรื่องของการดําริออกจากกามเนี่ยอันนี้จะคือท่านถามว่าเอาแค่ไหนดีเช่นว่ า, อ, าอยากกินขนมก็หยุดเลยไหมหรือว่าจะ กินบ้างอะไรอย่างนี้ครับคือถามว่าวิธีปฏิบัติในชีวิตประจำวันการความความอยากนี่เราต้องพูดให้ชัดเจนนิดหนึ่งว่ามันเป็นความอยากแบบไหนเอาใหม่ความอยากนี่มันก็เป็นตันหานะแต่ถ้ารเราหิวข้าวแล้วคุณต้องไปกินข้าวอันนี้มันมันก็ธรรมดานะหรือรว่า อ, อ, อย่างอย่างตัวเราเองตัวมาเองเรียนมาเรียนบาลีเราก็ตั้งเป้าไว้ว่าเราต้องสอบให้ได้ ค, คือเหมือนนักรบเข้าสนามรบแล้วเนี่ยคุณต้องรบให้ชนะครับคือไม่มีทางอื่นคื อ, อคือคือความแพ้มีไม่ได้อย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นถามว่าอันนี้เป็นเป็นตำหนิไหมเป็นการประันท่าไหมหรือว่าเป็นอ่าเป็นสอ่าเป็นการในมิจฉาสังกรประหรือเปล่านั้นเรามีวิธีแบ่งอย่างงี้นะว่ า, าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยถ้าเป็นไปเพื่อความเพลิดเพลิน นะกำหนัดลุ่มหลงมัวเมาอันนี้แต่ไม่ใช่นยะอย่าให้มีหรือว่าเป็นการใช่ใช่สมุตเรียนภาษาบาลีแล้วนะคุณ ค, คนที่สอบผ่านปทสามเนี่ยจะได้ตำแหน่งที่เขามอานะบให้อะนะรัฐบาลมอบให้ในหลวงมอบให้เนี่ยก็คือตำแหน่งมหามถ้าเรามีความกาหนัดลุ่มหลงในตำแหน่งนี้นะอันนั้นกามละแต่ถ้า<ม>เราไม่มีก็ไม่เป็น กันไหม ค, คุณกินขนมคุณกินเพื่ออะไรดับไปชนาเอา้าทําไมจะกินไม่ได้กินได้ก็จะไหมท้องหิวอ่าท้องหิว<ๆ>ก็กินไปสิก็ก็ไม่ได้ว่าอะไรหรือว่าคุณอยากได้รถยนต์คันนี้นะถามว่าถ้าคุณมีตสติในการที่จะไม่ลุ่มหลงไปตามอสิ่งที่เกิดขึ้นรถยนต์คันนี้เป็นต้นแล้วก็ก็มีได้ไม่เป็นไรก็จะไหมเพราะว่าคราวน์มันเป็นผู้เสพกามอยู่แล้วมันเป็นธรรมดาใช่ครับอืมครับหรือว่าคุณต้องการซื้อโทรศัพท์ใหม่ โทรศัพท์เก่ามันไม่มีฟีเจอร์ที่ต้องการใช้แต่ทั้งที่มันยังไม่พังเอ้ทำไมจะซื้อไม่ได้ก็ถ้าเงินคุณหามาได้โดยความสุจริตใช่ไแล้วก็เราไม่ลุ่มหลงไม่มัวเมาติดพันในสิ่งนั้นคือหมายว่าถ้ามันตกแตกนัวินาทีที่ซื้อมากลับอามาถึงบ้านแล้วเราก็ไม่จีดตั้ง่นั้นเลยลักษณะนี้นะยากเหมือนกันนะครับก็คือมีวิธีแบ่งอย่างนี้นั่นเอง แต่เพราะนั้นในในวิสัยของคารวะทําได้หมอลพงทําได้แนะคุณจะสามารถมีเป็นผู้ที่เออิบอิ่มด้วยกรรมคุณทั้งห้าแต่ว่าไม่จมกามนะทำได้อยู่แต่มันก็มันก็อาจจะจตว่ายากมันก็ค่อยๆฝึกเอานะแต่มาว่าทําได้ครับคืออย่างพระพุทธเจ้าเองก็ตามเนี่ยเป็นผู้ที่เออบอิ่มด้วยกามคุณทั้งห้านะแต่ก็ไม่ได้ลุ่มหลงมัวเมาในสิ่งเหล่านั้นอสามารถ ไปไว้ว่างคือคือพูดง่ายๆอย่างตอนที่70็ดสิบที่เจิบเหรือเจที่ผ่านมานะเราได้พูดถึงว่าการที่ความเพียร3าอย่างคือ1นึ่งไม่ไม่เอาทุกทับถมตนที่ไม่มีความทุกทั บ, ทบถมบนะคือเราไม่หาทุกมาใส่ตัวนะคสคือเราไม่สลากความสุขที่เกิดโดยธรรมนะความสุขที่เกิดโดยธรรมนะหมายความว่าเป็นความสุขที่เกิดโดยธรรมนะเงินคุณก็ซื้อของคุณมาเองใช่ไหมแล้วก็3ามไม่ไม่ลุ่มหลงไม่ ผูกพันหมกมุ่นในความสุขนั้นนะคือเราไม่ผูกพันหมกมุ่นในความสุขนั้นนี่คือสําคัญมากแล้วก็คุณก็ไม่สลักความสุขที่เกิดโดยธรรมคือสมมุติคุณจะไปซื้ออะไรต่างๆที่มาใช้เนี่ยคุณแบ่งงบประมาณดีไหมรายจ่ายด้านอื่นทุนใช้ใจ่ายถูกต้องไหมหรือคุณต้องเบียดบางงบวันอื่นมาเพื่อซื้อไอ้ของเล่นที่ซื้อมาใช้ไม่กี่ไม่ ก, มกี่ไม่กี่เดือนก็ทิ้งไปอันนี้เป็นความอยากแน่นอนเพราะเรารุ่มหลงโมเมาในมัน ถ้าเราแบ่งก็ประมาณดีแล้วนี่พิจารณาดีแล้วเราก็ใช้ได้แล้วก็ไม่ลุ่มลงในสิ่งนั้นก็ถือว่าโอเคครับอืมข้อที่สองของคุณปณนิธีครับเรื่องความอดทนนะครับเช่นเช่นว่าถ้าโกรธแล้วเราก็อดทนไว้เก็บเขาบอกว่าจะไม่เป็นการเก็บกดความโกรธไปเลยครับคือพอถึงจุดหนึ่งมันก็จะระเบิดมาตู้มแบบว่าโอ้หนักหน่วงเลยอย่างเงี้ยเลย ถามว่าวิธีจริงๆควรจะทำอย่างไรครับเออพอเราอดทนแล้วเราก็ต้องมีที่ปล่อยอ๋อครับคือหมายความเห็นตามความเป็นจริงพูด <c ười> ใ, หให้ถูกต้องนิดนึงที่ปล่อยในที่นี้หมายความว่าไงหมายความว่าเราอดทนแล้วเราก็ปล่อยเลยก็ได้นั่น ค, ค, คือการปล่อยเนี่ยมันเหมือนกับตอนที่หมอรัตนพงศ์ใช้อุปกรณ์ของหมอฟันที่เขาจี้เข้าไปในฟันแล้วก็ไอไอไอปูนปูนมันหลุดออกมานั่นนะครับนั่นแหะคือลักษณะของการที่บําเพ็ญตะบะกอ๋อครับ คือคืออุปกรณหมอฟันตรงนี้หมอท่าผู้อธิบายให้ฟังมันทำงานยังไงครับคือเขาเรียกว่าอะไรเครื่องเครื่องขุดหินปูนเครื่องขุดหินปูนทํางานยังไงมันจะใช้ใช้กระแสไฟฟ้าเข้าไปขับเคลื่อนขับเคลื่อนหัวเอาไฟเอาไฟช็อตฟันเนี่ยเหรอไม่ไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่เอาไฟช็อตเปนการเคลื่อนการเคลื่อนความถี่สูงคุณชิานลงลงไปกระแทกเอาหินปูนทําให้หินปูนเนี่ยแตกแล้วก็หลุดออกมาอืมออืมอืก็จะเป็นครับ เปนเคลื่อนที่เป็นรูปเหมือนขึ้นลงขึ้นลงอย่างเงี้ยครับอก็คือเป็นแมชชีนิกที่ทําให้หัวมันสั่นถูกไหมแต่ไฟฟ้านี่ไม่ได้เอาไปจี้ที่ฟันตรงๆนะอ่าไม่ใช่ครับแต่ไฟฟ้านี่ทําให้ไอไอแมชานิกตรงนี้มันเคลื่อนเคลื่อนเคลื่อนถูกไหมครับด้วยความถี่สูงความเร็วสูงเป็นการเรีว่าความถี่เรโซแนนซ์ที่ไปจี้ตรงนี้มันก็หลุดออกมาครับนี่แหละนี่แหละที่คุณปณิทีต้องทําคือหมายก็ว่าอดทนใช่ไหมเราโกรธใช่ไหมเราทําไงให้อีกโกรธเนี่ยมันหลุดออกจากจี้ของเราจี้เข้าไป เวลาคนที่เคยไปหาหมอฟันนี่เขาเขาเคยคงไปคือหินปูเนี่ยนะเขาจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เพราะว่ามันมันจี้เข้าไปที่ฟันแล้วมันก็เสียวฟันเสียวแล้วมันก็สั่นมันแบบมันจี้จีน่ะเสียงมันน่ากลัวมากเลนี่แหละคืออย่างเดียวกันนะเราจะต้องมีที่ปล่อยนะหมายความว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราถูกกระทบแล้วเราเรานิ่งเฉยอยู่ได้นะความโกรธนี่แหละมันหลุดออกไป เช่นเดียวกันอย่างหินปูเนี่ยมันถูกกระทบความสัส่นสะเทือนมากระทบนะในที่นี้คือผัสสะผัจจสจะมากระทบจิตของเราแล้วนะมันหลุดออกอะไรที่ไม่ใช่จิตเดิมไม่ใช่จิตประพัฒสอนเดิมไม่ใช่เนื้อฟันเดิมหลุดออกหมดห อ, มอมืมอท่านบอกเข้าใจไหมเวลาอะไรที่มันไม่ได้ชี่เนื้อฟันเดิมมันหลุดออกเลยเพราะมันเป็นหินปูนหรือเป็นคราบอะไรต่างก็ตามนะโดนการสัส่นสะเทือนไว้ี่นี้มันต้องหลุดออกใช่หลุดออกเพราะอะไรเพราะเรานิ่ง เพราะเรานิ่งเพราะฟันนิ่งถ้าฟันถ้าฟันไม่นิ่งเนี่ยมันก็เหมือนผินปูนไม่ไม่หลุดอย่างฟันโยกเนี่ยฟันซี่ที่โยกจะจะเอาไปจี้เนี่ยมันมันไม่ได้ถูกดูไหมหมอรัพงเป็นทันแพทย์ต้องทราบกันแล้วฟันซี่ที่โยกเนี่ยเราจะอไปจี้เนี่ยมันต้องมันมันจะหลุดยากมันจะทํายาก่ะต้องใสโยกแยกไปด้วยความที่มันดิ่นเนี่ยเองเช่นเดียวกันถ้าบอกว่าจิตของเรายังยังแสบสายอยู่ เวลาที่มีอะไรมากระทบนะแจสายนี้หมายความว่าคุณมีความโกรธแตมีความโกรธเกิดขึ้นแล้วเรานิ่ง Bal นี่แหละไอ้ความโกรธมันจะหลุดไปได้แต่ถ้าเรายังไหลไปตามอยู่ยังไม่รู้จักมีความขมบังคับใจอยู่ยังไหลไปตามอยู่บ้าอันนี้เราก็จะหลุดออกไม่หมดมันก็ยังจะมีเหลืออยู่ไอ้เหลือตรงนี้แหละที่ว่าถ้ามันสะสมสะสมสะสมอีกมันก็ระเบิดตุ้มได้<ร>เพราะเราต้องเอาตรงนี้ออกให<ช>้หมดเพราะเราต้องนิ่งไปเลยอนะคื<น>ะอถ้านิ่งบ้างสายบ้างนิ่งบ้างสายบ้างนี่มันก็ ยังมีเหลือเกี่ยวกัสะสมใช่ไหมตรงนี้จะไปออกยังไงคุณไปนั่งสมาธิตอนคืนก็ได้ก็ช่วยได้อยู่ออืจะช่วยขัดเกลื่อนใช่ใช่ช่วยตรงนี้ได้เพราะว่าถ้าตรงนี้เราไม่ได้ทําเราไม่ได้นั่งสมาธิตอนคืนเราไม่ได้ฝึกจิตด้วยเนี่ยตรงนี้มันก็จะสะสมสะสมอย่างที่คุณบาลที่บอกมันจะตุ้มได้นะออย่างไรก็ตามแต่ถ้าเรานิ่งไปเลยตลอดทั้งวันไม่มีอะไรสะสมได้เลยเราก็สบายละหลุดออกหลุดออกตลอดอืมครับโอเคข้อที่สาม คำถามเรื่องการแผ่เมตตานะครับอก็คือบอกว่าท่านบอกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยมีการแนะนําให้กษัตริย์เนี่ยอุทิศส่วนกุศลให้กับเปรดที่มาขอส่วนบุญอ๋ออ่าก็เลยท่านเลยถามว่าอย่างนี้เราเนี่ยคือเราจะต้องทําด้วยไหมอุทิศส่วนกุศลให้กับบรรดาเปรดหรือว่าอันนี้ก็เป็นเรื่องที่มีมาในธรรมบทนะซึ่งเป็นส่วนที่มีในอัตถกถาอือมเป็นเรื่องที่เรียนใน หลักสูตรประเด็นธรรมนี้ด้วยเหมือนกันซึ่งอยเนยมาก็จะต้องเรียนอยู่เหมือนกันยังไม่ถึงก็เป็นเรื่องที่มีในมาในตถกคาส่วนเรื่องการแผ่เมตตานี้ผู้เชี่ยแนะนําไม่ทําอยู่แล้วแนะนะนําให้ทําด้วยไปให้สรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงอย่างไม่มีประมาณในทิศเบื้องหน้าเบื้องหลังเบือเบ้องซ้ายเบื้องขวาเบื้องบนเบื้องล่างทั่วทุกทางอย่างนี้ทีนี้ว่าการแผ่อุทิศส่วนกวุศล น, นี่ก็คือเป็นยังไงล่ะก็คือกลักษณะของการแผ่เมตตาแล้วแหละเจริญเมตตาภาวนา ตรงร เ, เรื่องนี้ <ะ S 1> ยังจะต้องมีการทำความเข้าใจให้ชัดเจนอีกมากว่าเฮ้เราบุญเราแบ่งให้บุญกับเมตตาเนี่มันเหมือนกันไหมเราจะแบ่งให้ได้ยังไงได้ที่ว่าแผ่ส่วนกุศลเนี่ยมันคือเมตตาหรือเปล่าและที่เราเจริญเมตตาภาวนาเนี่ยมันคือแบ่งบุญหรือเปล่า<ต>อันนี้ก็เป็นประเด็นที่ต้องมาวิจัยกันเพิ่มเติมนะเป็นอันนี้ก<ม>็ อ, อยู่ในลิสต์ที่เร า, าจะทำความวิจัยทำความเข้าใจในเรื่องนี้เหมือนกันครับอย่างไรก็ตามในเรื่องการแผ่เมตตานี้แนะนำํนะทำทําได้ ในการเลกนเล้นเราก็มีทำนะส่วนเรื่องการก็คิดว่าตรงนี้เป็นอาจจะเป็นอันเดียวกันกับเรื่องการอุทิศส่วนกุศลเราก็ต้องไปทําความพิจารณาเพิ่มเติมครับเนาะสรุปว่าในวันนี้เราได้คุยเรื่องอะไรกันในบ้างคุณนมอรัตพงศ์ยังมีคําถามค้างของคุณเข้าใจว่าชื่อว่านอนเขียวนะครับคือบอกว่าเรื่องของการทํางานนะครับคือเขาได้มอบหมายให้กับงานชิ้นหนึ่งให้กับลูกน้องแต่ลูกน้องก็ ทำผิดผิดพลาดพลาดทั้งทั้งที่ทเคยทาซ้ํซ้ำนะครับก็ยังทําผิดอยู่เขาก็ถามว่าอย่างเงี้ยตัวเจ้านายเนี่ยจะวางจิตวางใจอย่างไรที่จะไม่ให้เกิดอากติในตัวลูกน้องคนนั้นอ๋อก็มีมีธรรมะหมวดหนึ่งในเรื่องของความเป็นเจ้านายที่พุทธชาบอกว่าให้ทำงานตามกำลังแล้วก็ให้ค่าจ้างรางวัล้นการให้ทำงานตามกำลังเนี่ยหมายความว่าอย่า ง, างสมมติ ลูกน้องคนหนึ่งทํางานดีดีแล้วก็เลื่อนตาแหน่งให้เขาทํางานให้เขาให้เขาทํางานที่สําคัญมากขึ้นอายุมาวันหนึ่งปรากฏเขาไปคบเพื่อนชั่วทําสิ่งที่ไม่ดีประสิทธิภาพในการทํางานตกลงไปหน้าที่ <ừ. S 1> ของเจ้า <ừ. S 1> นายคืออะไรหมอเตาพงให้ทํางานตามกํำลัง <ừ> เข้าใจไหมเราก็ก็ถ้าคุณทํางานตําแหน่งนี้ไม่ได้แล้วก็เราก็ต้องให้เขาไปทํางานตามกํำลังที่เขาทาได้ได้ขึ้นในตําแหน่งอื่นใช่ครับสมมุติตําแหน่งนี้ต้องการคนที่มาเช้าเอ้าก็คุณไปคบเพื่อนชั่วนอนดึกคุณมาสาย ก็เราต้องย้ายไปทําเขาทําตําแหน่งอื่นที่ต้องมาสายได้อืเราก็ต้องให้ค่าจ้างตามรางวัลนะให้ค่าจ้างรางวัลตามสมควรนะให้ค่าจ้างรางวัลตามงานนั้นครับเข้าใจไหมเพราะนั้นก็ลดเงินเดือนได้พูดตรงไปแล้วเปล่าแต่ก็ก็ทําได้ตามทําในลักษณะนี้ออืม่ที่ฝรั่งบอกว่า put the right man on the right job อย่างนี้นะครับอืก็ถ้าเขามีความเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ในชีวิตของเขามีความประมาทเกิดขึ้นในชีวิตของเขา เราก็ต้องให้เขาทำงานตามที่สมควร อ, อันนี้ก็น่าใจแต่ก็ต้องทำอย่างนั้นคือทำอย่างนั้นแล้วเบียดเบียนเขาไหมาถามว่าเราเราทำตามตามงานไหมคือการเบียดเบียนเนี่ยมันถามว่าอย่างอย่างเราเดินไปแล้วเราก็เหยียบเหยียบเหยียบหอยฆ่าสัตว์หรือว่าโดยที่ไม่เราไม่ได้ตั้งใจนะ อันนี้ก็เป็นลักษณะเดียวกันกับการที่เราจะต้องทาสิ่งที่ควรทำตามธรรมนะคือคือเราจะต้องวางอุเบกขาในบางกรณีรนะคือสมมุติถ้าเราช่วยได้แค่นี้เราก็คือสิ่งที่เราช่วยไม่ได้แล้วเนี่ยเราก็ต้องวางอุเบกขาสมมุติขอทานอย่างเงี้ยคุณเห็นใจขอทานมากเลยคุณให้เท่าไหร่หมอรัตพงศ์เห็นขอทานให้เท่าไหร่ขอทานตามข้างทา ง, ทางผมไม่ไม่ให้ครับ นี่แหละหมอรัตงต้องมาอุเบกขาถูกป่ะใช่ครับเราเห็นใจก็ไม่เห็นใจอยู่นะเราอยากให้เขาพุนทุกข์ไม่อยากอยู่นะเราให้เข้า50บบาทสิบาทก็ก็อาจจะให้ได้นะแต่ถ้าจะให้เป็นร้อยเป็นพันเนี่ยมันก็อาจจะให้ได้นะเพราะเขาก็จะต้องมีเสื้อผ้ามีอะไรใช่ไหมเอาให้เป็นหมื่นมีไหมเออเขาก็ต้องมีบ้านมีอะไรมีที่อยู่มีจักรยานไม่สําหรับเดินทางแล้วให้เป็นแสนได้ไหมเออก็ต้องมีบ้านมีที่อยู่ที่เป็นเหมาะเหมาะสมมั่นคงนะเแล้วค่ายาค่าอะไรทําไงอ่ะโอ้แล้วมันจะหยุดที่ไหนอ่ะ อใช่ครับหยุดที่อุเบกขาหมอรัตพงับหยุดที่อุเบกขาเราว่างอุเบกขาได้ตรงไหนคือเราพอตรงนั้นแต่สมมติเราวาอุเบกขาได้ที่อสิบบาทเราก็พอที่ตรงนั้นอย่างกรณีมอรัตพงคือบางอุเบกขาได้เลยที่ศูนย์บาทอย่างเงี้กยก็ไเขารู้สึกว่าถ้าถ้าให้ก็เหมือนกันสนับสนุนให้เขาทำไอ้แบบนั้นเนี่ยนั่งขอทานตามริมทางต่อเนื่อไปเพราะในกรณีของลูกน้อง นะถามว่าเราต้องมาอุเบกขาในกรณีที่เขาเขาก็เป็นกรรมของเขานะเป็นการกระทําที่เขาเลือกเองแต ใ, นะในขณะเดียวกันถ้าเราเป็นเพื่อนเขานะเราต้องรู้จักรักษามิตรที่ประมาทแล้วแต่ถ้ามิตรคนเนี้อของเราประมาทนะประมาทแล้วทําให้ถูกมิภบเพื่อนชั่วทําสิ่งที่ไม่ดีทำอาบายมุกต่างๆอา้าคุณเป็นเพื่อนอใช่ไหมเราต้องชี้แนะต้องเป็นเพื่อนร่วมทุกข์ร่วมสุขเป็นเพื่อนผู้มีอุการะในการที่จะพ้ามิตรเสียจากความประมาท ถ้าเราห้ามมิของราชความประมาทเราเป็นผู้ที่มีอุปการะแกบเขาก็ค่อยๆแก้กันไปก็เลยท่านเลตอบข้อสองเลยว่าใช้หมวดทำหมดไหนเพื่อแก้ไขลูกน้องคนนี้เพื่อไม่ให้ทำปิดพลาดอีกก็คืออย่างนี้แหละครับก็คืออาจจะเรียกว่าเป็นการยานมิตรนั่นชี้ชี้ทางถูกใช่ไหมครับใช่พราะเั้นในวันนี้เราได้พูดคุยเรื่องอะไรไปบ้างคุณบรรพง์ ก็เรื From, ่องเรื่องกรรมนะร่าที่เพิ่มเติมเรื่องอโหสิกรรมเรื่องตัวอย่างต่างๆที่เกี่ยวกับกรรมความแตกต่างที่ยกตัวอย่างมาให้เรื่องของความที่กรรมกิริยาการกระทำแล้วก็ยังพูดถึงการอโหสิกรรมแล้วก็ยังมีตอบคำถามนะครับคำถามเกี่ยวกับเรื่องของความเป็นอนัตตาอนัตตาว่าเป็นยังไง เราพูดถึงการอนุตานแล้วยังไงต่อนะการที่ไม่เห็นเป็นตัวตั ว, ตวไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวตนของเราทำอย่างนี้ได้แล้ววางได้แล้วเหลืออะไรบ้างก็จะมาสอดคล้องกับเรื่องที่ว่าออสิ่งที่เป็นอสังกัธรรมเป็นอย่างไ ร, รนะไม่มีการเกิดปรากฏไม่มีความเสื่อมปรากฏภาวะอย่างอืง่นตั้งอยู่ไม่ปรากฏแล้วก็มาพูดถึงเรืร่องของราคะโทรศโมฮ ที่มีราคาโทษน้อยใครช้าโทษสาโทษมากใครเร็วมโหสถมากใครช้าเป็นยังไงนะเราก็มาพูดถึงคำถามของคุณปาณิธิตนะครับปานิทิที่พูดถึงการการดํบริออกจากกรามแต่การว่าจะดํารงจิตว่าอย่างไรในการที่อยู่กับกรรมคุณ5้าอย่างให้ไม่จมกรามแล้วก็เทคนิคการเอาขี้ฟันออกของหมอรัตพง์ เอาเขาเรียกว่าอะไหินปูนออกของธันตแพทย์อ่าแล้วก็พูดถึงการอดทนที่ใช้ตบะมาเผาจิตนะตรงเนี้ยตะบะนะเป็นตะบะมาเผาจิตก็คือเอาที่เข้าไปหลุดออกมาภาษามรกระทบเรานิ่งอยู่หลุดออกไปแค่นี้เองแล้วก็เรื่องของการแผ่เมตตาการอุทิศส่วนกุศลแล้วก็มาจบที่ของการบริหารจัดการในที่ทางาน ว่าจะเลื่อนตำแหน่งลูกน้องลงจะลดเงินเดือนได้หรือไม่คำตอบก็คือได้โดยใช้หมวดตามหมดนี้แหละก็คือเรื่องของกรุณาหน้าที่ของสุวหน้าอุเบกขาแล้วก็ความเป็นมิตรแล้วก็พบกันในอิพิสต์ต่อไปเราก็จะมาคุยในเรื่องอื่นที่น่าสนใจกันไปถ้าท่านใดมีคำแนะนำหรือคำถามก็ส่งมาที่เพียวธรรมะ .com ครับ แล้วก็พบกันใหม่ในตอนต่อไปคุณหม่อมลักษณ์พงศกราบม้สการขอบพระคุณพระอาจารย์ไพบรณ์อภิปุณโนแห่งวัดป่าดอนหโศกครั บ, รบสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับ